2. ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทรรา 3. แม้ในสุขที่ชอบทมนั้นก็ไม่หมกมุ่นสยบ 4. เพียรทำเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปคือโดยนยะว่าเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่สูงขึ้นไปจนสูงสุดในข้อหนึ่ง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 เป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยผ่านไปแล้วแต่พอมีเวลาไปนั่งเงี ย, งยบก็ยกเอามาคิดเอามาปรุงแต่งในใจทำให้ใจเศร้าหมองขุนมัวไม่สบายใจก็กลายเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เป็นการเอาทุกข์มาทับถมตนอย่างหนึ่งทางพระก็สอนว่าผู้ที่ยังอยู่กับชีวิตในระดับชาวบ้านนั้นถ้าจะปรุงแต่งก็ไม่ว่าแต่ขอให้ปรุงแต่งในทางดี อย่าไปปรุงแต่งไม่ดีถ้าปรุงแต่งไม่ดีท่านเรียกว่าอาปุญญาพิสังขารได้แก่ปรุงแต่งเรื่องร้ายเรื่อง บ, บอาปอกุศลเป็นเรื่องโลภโทสะโมหะก็กลายเป็นปรุงแต่งทุกข์ท่านให้เปลี่ยนใหม่ให้มีสติมากั้นมายัง้งด้านที่ไม่ดีให้หยุดไปเลยแล้วก็ปรุงแต่งดีๆ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 คนพวกนี้เอาทุกมาทับถมตนชัดๆเวลาโกนผมก็ไม่ใช้วิธีโกนแต่เอาแหนบมาถอนผมทีละเส้นละเส้นจนหมดศีรษะพวกนักบำเพ็ญตะบะนั้นคิดวิธีขึ้นมาทำกันต่างๆแม้แต่เตียงที่ดีๆจะทรมานตัวเองก็เอาตะปูไปตอกๆแล้วก็นอนบนตะปูหรือนอนบนน้าแล้วก็อดข้าวอดน้าเวลาหนาวก็ไปยืนแช่ตัวในแม่น้า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 ในข้อสองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธรรมความสุขที่ชอบธรรมก็มีทั่ ว, วไปอย่างชาวบ้านที่ประกอบการงานอาชีพสุจริตได้เงินทองมาก็ใช้จ่ายบริโภคเลี้ยงดูครอบครัวและผู้คนที่ตนรับผิด ช, ชอบตามหลักความสุขของชาวบ้านคือขีดสุขสี่อย่างว่าสุขจากการมีทรัพย์ สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์สุขจากความไม่เป็นนี่และสุขจากประกอบกรรมดีงามอันปราศจากโทษจากการทำกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่สุจริตความสุขที่ไม่มีการเบียดเบียนใครเป็นต้นถ้าเป็นสุขที่ชอบทำอย่างนี้ท่านไม่ให้ละเลยทอดทิ้งความสุขที่ชอบทำมีนานับประการ พูดตำหลักโน้นตำหลักนี้ได้มากมายอย่างที่ผ่านมาแล้วก็มีสุขได้ทั้งนั้นจะเอาสุขจากทานศีลภาวนาก็ได้ซึ่งสุขขึ้นไปถึงสุขในการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาหรือจะเอาสุขจากชุดเมตตากรุณาหรือชุดสังฆหวัตถุและอื่นๆได้ทั้งนั้นคงไม่ต้องอธิบายรวมความก็คือ สุขที่ชอบทำเหล่านี้ไม่ต้องไปรังเกยียจไม่ต้องไปละทิ้งซึ่งพวกลทัทธิบําเพนตบะเขามุ่งทรมานตนเขาจึงลีกเลี่ยงความสุขต่อไปข้อที่สามแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่หมกมุ่นไม่สยบข้อนี้สำคัญมาก เป็นการพัฒนาก้าวหน้าไปไกลเพราะว่าเมื่อประสบความสุขที่ชอบทำเราไม่ลาทิ้งเรามีความสุขอย่างนั้นได้นั่นก็ดีอย่างยิ่งแล้วแต่คนก็อาจเกิดปัญหาขึ้นมากับความสุขนั้นได้อีกนั่นก็คือเกิดความติดความหลงเพลินหมกมุ่นที่จะทำให้ขี้เกียจทำให้ประมาทแล้วก็ทำให้เสื่อมได้ใครผ่านจุดนี้ไปได้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 สุดท้ายข้อสี่เพียงกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปเป็นขั้นจะไปให้ถึงความสุขที่สมบูรณ์เด็ดขาดหมายความว่าตราบใดเหตุแห่งทุกข์ยังมีอยู่ยังเหลืออยู่ทุกข์ยังมีเชื้ออยู่ก็ยังไม่จบสิ้นทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นอีกได้ยังมีทุกข์แฟงอยู่ก็เป็นความสุขที่ยังไม่สมบูรณ์จึงต้องกาจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป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 เช่นทํให้โลภะโทสะโมหะลดน้อยลงไปตัณหามานะทิฏฐิเบาบางลงไปซึ่งก็จะดำเนินไปด้วยการปฏิบัติตามมัคมีการเจริญศีลสมาธิปัญญาบรรเทากิเลสทั้งหลายลดอวิชชาลงไปเมื่อพูดเชิงสัมพัสนี่ก็คือการทําความสุขให้เพิ่มขึ้นมาขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อสี่นี้ พูดอีกสำนวนหนึ่งก็คือการพัฒนาความสุขนั่นเองแต่เพื่อให้ชัดเจนก็บอกกำกับไว้ด้วยว่าพัฒนาจนสูงสุดหรือจนสมบูรณ์จึงได้ใส่ในวงเล็บไว้ด้วยว่าโดยในยะว่าเพียนปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่สุขขึ้นไปจนสูงสุดนี่คือพัฒนาจนถึงความสุขที่สมบูรณ์ที่เป็นบรมสุขนั่นเอง ทั้งนี้จะทำสำเร็จอย่างนั้นได้ก็ต้องรับกันกันกบข้อสามที่ว่าแม้ในสุขที่ชอบทำก็ไม่หมกมุ่นสยบไม่มัวติดเพลินแล้วประมาทจมหยุดปล่อยตัวอยู่แค่นั้นหรือทะเลทลายออกไปพอข้อสามเปิดโอกาสให้ความเพียรก็พาขึ้นมาข้อสีต่อไปเป็นอันจบกระบวนนี่ก็คือวิธีปฏิบัติต่อความสุข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 ก็มักลุ่มหลงมัวเมาแล้วก็จะถึงจุดจบล่มสลายพินาศหายไปเรื่องราวมากมายในประวัติศาสตร์บอกให้เรารู้เท่าทันไว้อย่างนี้ในครอบครัวนี่แหละสำคัญนักคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ประมาทแม้แต่เมตตาที่แสนดีพอมีมากเกินไปดีแต่เอาอกเอาใจได้แต่โอบบำรุงบำาเรือลูกเป็นการใหญ่จนมากเกินไป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 แล้วก็ตกลงไปในทางเห็นความเสื่อมเป็นอันว่าหนึ่งในความสุขนั้นระวังไว้อย่าได้ประมาท 2. ใช้เป็นโอกาสเมื่อกี้บอกแล้วว่าอย่ามีทุกเราถูกบีบคั้นอึดอัดขัดข้องจะทำอะไรก็ยากไปหมดต้องใช้ความเพียรมาก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 สิงดีทั้งนั้น 3. ไม่พึ่งพาอิสรภาพเป็นคุณลักษณะสําคัญเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาคนจะมีอิสรภาพแท้จริงได้ต้องมีอิสรภาพของจิตใจเป็นฐานและความเป็นอิสระของจิตใจนั้นก็เด่นขึ้นมาที่ความเป็นอิสระจากความสุข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 ก็คือบอกหรือเตือนว่ายัางต้องไปต่อข้างหน้าหรือสูงขึ้นไปยังมีอีกเป็นอันว่ารับกันสอดคล้องกันหมดตั้งแต่ไม่ประมาทจนถึงไม่พึ่งพาแล้วก็คือมาพัฒนาสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปให้กําจัดเหตุแห่งทุกได้จนหมดสิน้นทั้งมีความสุขอยู่และพัฒนายัางมีความสุข แล้วก็พัฒนาความสุขที่สูงขึ้นไปอีกจนถึงความสุขที่สูงสุดเป็นกระบวนการของความสุขทั้งหมดมีแต่ความสุขตลอดกระบวนการพัฒนาความสุขนั้น